จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสินน่งต่างๆอยู่เป็นประจำเราเป็นประจำจิตนี่เป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได่ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะร่วงมานานไม่นานก็ทําวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาผิดก็เอาอารมณ์นั่งมาเป็นเพื่อน ความกิมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดหนักฟุก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร่มที่จะติดภายในจิตใจไม่ไมีทางออกไม่รู้ วิธีที่จะแก้ไขจะมีแต่ทางติดโดยไถ่เดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพระาะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกผมบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้ แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบดีกันแล้วจิตมันเตะความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี่รื่นแย่ตั้งแต่จิดหายเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตเป็นมีมากมายกายกองมากยิ่มข่เรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อย ลงไปโดยลำนับและให้วิดคาดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่งเสริมม่ควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราวมนมีทางทรามได้มันเป็นอย่างนี้ดันั้นจึงต้องได้เรียนให้รู้วิธี เราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบงังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึ ง, งเพราะสัมผัสกันอยู่ที่แห่งทุกคนใ้อยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใกล้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกข์และรบ ทักความกต้องก็เทือนกับทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกทั้งๆ ท, ที่ใครก็ไม่ตัดทนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะ หาทางรอดออกจากทุกนี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังยังดีพวกเราหลักธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นนั้นเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกัน เราจึงเรียกว่าได้เกียบบรรดาศักด์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนาธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้ปัิหาลี่หนึ่งผู้เนาะรือขาดต้นไปไม่ทราบถุดหนึ่งมาจังไหเรียงเนี่ยผู้มันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้น ถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาจึงมีกาได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชทดจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมรูปอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูอาจารย์นำมาส อ, สอนก็ดีที่ได้ศึกษารเรียนก็ดี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 มันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เราเรารู้อย่างนี้มีมากมายกาลก่อนแต่เพราะอย่ามยิ่นทุกที่เกิดขึ้นจากให้เลี้ยงให้เลี้ยงตายเกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแต่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตโลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากเกินมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถิด เราจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้ยกันไม่มีบกหรองสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีเป็นคนถ้าท่านมันณไหนก็มีันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมา เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายมีเชื้ออันในพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้านั้นสาวกที่หมดเชื่อไปแล้วท่านไม่กอกไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของจิเหลวเพราะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของจิเหลวจะเป็นผู้ทักผู้จูงผู้นํา ผู้ทำลายไม่ผู้เบียดเบียนเป็นอยูอย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัรโลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของขอทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องขึ้ขึ้นมานเรื่อยเรื่อยื่ความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยเรื่อยหาทางสิ้นสุดดุิไม่ได้ ศาสนธรรมที่นสอนมีเป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมทำนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โล ก, กทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก่ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยคจ้ะไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดิน ลำพังตนเองและแก้ทุกข์ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูพระวาจนะก็มีแต่สยามภูริผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษาทั้งก็ยังดีพระพุกธศาสน์ในทางที่ถูกนั่งปฏิบัติตนพ้นไปได้เดิลำดับนี่ท่านว่ากองทุกกองทุกที่ว่าสัตย์จะทำ ท่านากระเทือนโลกอยู่นั้นะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมถ้าไม่กระเทือนอยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกกันทางนั้นประกาศอยู่ในกังวานอยู่ภายในการาย า, ากรของสัตว์โลกโด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินพรหมก็ไม่เว้นถา้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกจะมีในสถานที่นั้น นัสสัจธรรมคือทุกขสั์เรายกทุกขสั์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลส อ, อย่างโดย่ยางตร ง, งทิศประกาศกังวนันหรืทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เหรอเห็นหนึ่งท่านพูดย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับคนทั่วไปกนุหะโซจิมานันโดนิดจังปทัปทถิ เ, ท เ, ทเตเ ต, ติ อันทกาโอเลนะโอนัทธาปฏิปังนัอเวสัทอย่างที่พูดทษสลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพื่อเพลินกันไปหาอะไระทำไมจึงไม่สแสวงหาที่เพึ่นเรเนี่ย โกนุห้าโซ่นก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงมันถึงนิจังประทเทศเตชติณ่งหมายถงว่ไฟที่เรียกกันหาแต่ว่ามันเผาผ่านญใ่ตลอดเวลาทําไมจึงมีจใจจิตใจใจเพลิดเพินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิบังปฏิบังนักปฏิเสธจริงก็อันธการเลนะโอนะข่าคือความืดบอดมันครอบจิตใตลอดเวลาพระจะสะว่างตะวันจะขี่ดวงก็ตาม ความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นและตัวมืดด้วยอำนาจของจิเหลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนนิดอยู่เชน่นนี้ทำไมจริงต้องเริ่มกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งงานนี่แหละเป็นพระอาวาตของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาสิ มันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยนทีมบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากขีดกลับอีกครันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่พวกกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็นยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จําไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าปชาติโนนชาตินี้อะไรเลย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 ที่เป็นเชื้อให้เกิดที่ตลอดเวลาทุกทก ท, ทุกชาติล้วนแน่งแต่เป็นไปเพราะขี้เหล็เป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดหรือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะขี้เหล็กตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายใ น, ใ น, ในใจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันพวกชาติทั้งหมดจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามเมื่ากี่พวกทิดชาติจะเคยเป็นมา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 มันก็มีเป็เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เราเนี่ยแต่ละบุคคลบุคคลมีเต็มตัวนี้ทันว่าทุกประกาศกลงวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกกระถานี้เป็นไปด้วยทุกเป็นไระ้วยปัจธรรมการปัจจธรรมคือทุกขรรสัจก็เป็นปัจจธรรมข้อหนึ่งสมุทยรรมัยศาสตร์ันได้จากตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมา ใหสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานนีมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายใจิตใจของสัตว์โลกเนี่ยทำเมื่อมากคือข้อปฏิบตัติทางดําเนินไม่มีสัตว์จะทำทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตําแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ไดในใจจิตใจของสัตว์โลก นั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของิเด็กของทุกสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจานั้นก็ิดมาเป็นรูปเป็นกายทุก้ร่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกอีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมันแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองทัต จ, จักนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัตจักร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 อันข้อที่สี่ธรมะเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจง่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของีิเดชผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไป หน่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกําจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเขามาทํางานอย่ในที่นี้ทีเลตก็เริ่มขยับขยายไปโดยลําดับําดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกระมากน้อยเพียงไรทิเลตก็จะค่อยขยายตัวออก ไ, ไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัจ ทำหน้าที่วิชกำระอธิกรณ์ทำลายวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตวทําทําลายม้อดนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โกให้แตก็นสิ้นเป็นอันโดยลนจนกระทั่งทําลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นมิมุติปนิพานดูดพ้นแล้ว จากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัตจักรได้แก่ความเกิดแก่เจิดตายมุมเยยนเย็นเปลีป่นยนแปลงไปอยู่ในเรือนอจำคือวัตจักรเจ้าผู้รับกวามทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมกกคสรรนี้เป็นเครื่องทําลายฮีโร่ท่านัต์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลําดับอันเป็นผลมาจากมากที่มีกําลังมากน้อย น, นั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมกษัตริย์ก็มาทํางานอยู่ภาจิตใจขี้เลียก็ทํางานอยู่ภ า, านจิตใจทอำนาจขี้เดียกไ็ได้มากน้อยก่อนั้นอํานาจของมกษัตริย์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลาดับแทนที่ิเลียที่ดับไปมากน้อยทนกระทั่งมกษัตริย์มีความสามารถเต็มที่กำจัดภูมุทายสัตย์ ให้หมดไปจากใจโดยสิ้งเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เสิบตายในวัฏฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือาศาสนธรรมมีมากแต่เป็นสำคัญ ท่านนอกเหนือไปจากมรรคแปดนี้แล้วไม่มีอันไหนที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลําพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัิ์สรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัิ์เป็นสาคัญได้จากปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่อง ทำลายที่เหลือเป็นเครื่องทำลายวัตจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในกิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างนักษัตริย์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื่อนี่ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือ นี่เป็นเครื่องยืนยันดูพาณาจิตของศัตร์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมัด ค, คือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้เรื่องพิเลสนี้ลงได้เมื่อพิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแลคือการตัดสินวัตจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิง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 ความจริงคือจะถาภูตังยา น, ยานรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คล้าเค้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นมอหายใต่ผาต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่า น, นี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะห่วงห้ามมันไม่ได้เอาแตก ขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่คือว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุวกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีเรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากัน ไม่ว่าจะไปยิ่งเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกักันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกั น, นเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เรียบเย่อเยียบ ก, กันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเย่อเยือยคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นตายเช่นเดียวกันเช่นพูนี้ตายในวันนี้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 แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยด้วยลําทำทำตนเองแต่มีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ทราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าท่นกันนี่ชื่อว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พระย่อทรงสั่งสอนไว้ได้จะไม่มีามการกระทบกระเทือนแจ่ตรจะเป็นสุขโตดูก็เป็นสุขโต ขาดขันตาไปก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดท้ายเป็นสุขโตความทุกนี้เป็นสนามรบกับกีเลสไม่นาให้ดีเราได้ก้าวล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมไหมคเัา ทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื ơi, ่อยๆเพราะเราไม่สู้นี่วังเราอยอดทีนี้เราสู้ตอนเห็นใครชนะอันคืเรียกว่านักลบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็ห ล, ล, ล, ลบหลบหลบหลบหลบซ่อนเขาก็ตามตปเดียวดเขาไปหลบไซ่อนสู้มันจนอ้าวหามลงเวทีนี่กว่านักมวยเอกว่ะ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 ด้วยสติปัญญาแต่แม่กล้าวิเฉยเขาตีเอาโต้วุ้งตูงนั้ น, ก, น, นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยเราก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราก็ชื่อเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลัก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 เมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาดเดอสมมติว่า